195. อาานาสาโทรสกะว่าด้วยการเดาะกระถินเพราะความสิ้นหวังส2องกรณี318ภิกษุกรานกระถินแล้วหลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวร อ, อยู่นอกสีมาเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรแต่ได้ไม่สมหวังไม่ได้ตามหวัง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 ด้วยหวังว่าจะได้จีวร อ, อยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวร น, นี่แหละจะไม่กลับเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวร น, นั้นความหวังว่าจะได้จีวร น, นั้นของเธอสิ้นสุดลงการเดาะกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยสิ้นหวัง ภิกษุกรานกระถินแล้วหลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวรคิดว่าจะไม่กลับอยู่นอกสีมาเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรแต่ได้ไม่สมหวังไม่ได้ตามหวังมีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทำจีวร น, นี้นอกสีมานี่แหละให้ทำจีวร น, นั้น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 มีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทำจีวร น, นี้นอกสีมานี่แหละให้ทำจีวร น, นั้นจีวรที่ภิสุนั้นให้ทำอยู่นั้นเกิดเสียหายการดอกระถินของภิกสุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยผ้าเสียหายภิกสุกรานกระถินแล้วหลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวร คิดว่าจะไม่กลับอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้ทำจีวร น, นอกสีมานี่แหละเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้ทำจีวร น, นั้นความหวังว่าจะได้จีวร น, นั้นของเธอสิ้นสุดลงการดอกกถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยสิ้นหวัง ภิกษุกรานกถินแล้วหลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวรโดยไม่ตั้งใจไม่ได้มีความคิดว่าจะกลับแต่ก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะไม่กลับอยู่นอกสีมาเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้ทำจีวร น, นั้นแต่ได้ไม่สมหวังไม่ได้ตามหวังมีความคิดอย่างนี้ว่า จะให้ทำจีวร น, นี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับให้ทำจีวร น, นั้นการดอกกะถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยทาจีวรเสร็จภิกษุกรานกระถินแล้วหลีกไปด้วยหวังจะได้จีวรโดยไม่ตั้งใจไม่ได้มีความคิดว่าจะกลับแต่ก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะไม่กลับ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 จีวรที่พิกษุนั้นให้ทาอยู่นั้นเกิดเสียหายการดอ ก, กระถินของพิกษุนั้นชื่อว่ากาหนดด้วยผ้าเสียหายพิกษุกรานกระถินแล้วหลีกไปด้วยหวังจะได้จีวรโดยไม่ตั้งใจไม่ได้มีความคิดว่าจะกลับแต่ก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะไม่กลับอยู่นอกสีมา มีความคิดอย่างนี้ว่าจะเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวร น, นี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรความหวังว่าจะได้จีวร น, นั้นของภิกษุนั้นสิ้นสุดลงการเดาะกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยสิ้นหวังอนาสาโทรสกะจบ